ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังประจําวันพระวันพระหนึ่งเมื่อพุทธบริษัทเข้ามาวัดก็ควรจะได้ยินได้ฟังธรรมะคําสั่งสอนวันละนิดวันละหน่อยครั้งละนิดละหน่อยเพื่อนําไปเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับพวกเราทุกท่านถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังเสียเลยก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ยากเพราะทุกท่านทุกคน เกิดมาในโลกต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งนั้นแหละพระสงฆ์ที่อยู่ข้างในภายในเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาระยะสง์สมุติสงฆ์คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าเป็นผู้นําธรรมะมาเผยแพร่ต่อมวลชนต่อไปเรื่อยๆพวกเราท่านทางหลายเมื่อได้ยินได้ฟังก็สืบทอดกันไปเรื่อยหลวงพ่อก็ประกาศไปอีกชว่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อก็าตาย ลูกหลานญาติโยมต่อกันไปเรื่อยอันนี้ก็คือไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่เมื่อเรามาอยู่จุดนี้เราก็ควรจะประกาศให้ญาติโยมผู้คนหลวดพุกท่านนะั้นมีสิทธิ์ที่จะขยายธรรมะออกไปเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทสก็เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเท่านั้น เหมือนนายสารถีฝึกหัดมา้าเตรียมรถม้าแล้วมีแต่ให้สัญญาต์ว่าจะเดินไปทางไหนม้านก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับโดยที่ไม่ได้ตีกระตุกมา้าเขียนตีมา้าให้ได้รับความบอบช้าอันนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้ า, าสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้ า, าเป็นผู้ชี้ให้ดูว่าอันนั้นดีนะอันนี้ชั่วนะอันนั้นถูกอันนี้ผิดเนะ้ แต่พวกเราค่อควรไตรตรองดูด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าชี้แนะชี้นําพวกเราก็ยอมรับจากนั้นก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติตามว่านี้พระพุทธเจ้าสอนถูกต้องเป็นธรรมแล้วเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนถูกต้องอันนี้ก็คือแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจะไม่จับไม้จับมือรับประกันว่าสู้เจ้าไม่ต้องทําความดีอะไรทั้งหมด เรารับกรรมของสูเจ้าทั้งหมดพระพุทธเจ้าไมา่ได้รับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะชี้นำให้พวกท่านทั้งหลายต้องทําเองทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทําชั่วจะได้ดีนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าได้มากก็ได้มาแบบจอมปลอมได้มาแบบหลอกหลอกตัวเองหลอนหลอนตัวเองอย่างนั้นละ่ะไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่หลักเหตุผลที่แท้จริงเหมือนกับเราขี้เกียจเรียนหนังสือ แต่ความรู้ของเราก็ได้ยุได้ามาแบบยืนยันไม่ได้เป็นความรู้ที่ว่าพูดได้อธิบายได้แต่ว่าจะอ้างหลักเหตุผลจริงๆนั้นมันสู้หลักวิชาการที่เขาเรียนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะว่าเรารู้จริงก็ยังไม่ใช่เพียงแต่เรารู้แต่ว่าหลักฐานยืนยันนั้นยังไม่มั่นคงเพราะฉนั้นถ้าว่าเรารู้ทั้งหลักฐานด้วยรู้ทั้งแนวประพฤติปฏิบัติด้วยรู้ทั้งจัดสั่งสอนแนะนําคนอื่นด้วย รู้เหตุรู้ผลด้วยทุกอย่างอั น, นั้นแปลว่าเป็นผู้รู้จริงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอยากจะให้พวกเรารู้จริงนะอยากน้อยก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรูุ้ปทำซะก่อนนะท่านได้รู้ซะก่อนนะท่านจึงมาเขียนแผนที่เพราะนั้นต้องปฏิบัติซะก่อนจึงประยัดทีหลังประหยัิเนี่ยก็คือการเขียนแผนที่แนะนําสั่งสอนแต่พอมาถึงยุค ข, ของพวกเรา คือเราต้องได้ฟังซะก่อนฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนปริยัตและมาปฏิบัติแล้วจึงค่อยมีปฏิเวทปฏิเวทธรรมคือผลแห่งการปฏิบัตินะแต่พระพุทธเจ้าท่านลงมือปฏิบัติซะก่อนได้ตัดสรุธรรมซะก่อนจากนั้นเมื่อท่านได้ตัดสรุธรรมแล้วท่านจึงมาเขียนแผนที่คือปริยัตในเมื่อปริยัตเขียนแผนที่เสร็จแล้วท่านก็สอนสอนแผนที่นั้น ให้แก่สาวกสาวิกาภิกษุสามเณรอุบาสกทั้งหลายจากนั้นพวกอุบาสกภิกษุสามเณรเรียนรู้ตามแผนที่แล้วพระธรรมคําคสัง่งสอนของพระพนะุทธเจ้านั้นเรียกว่าเรียนรู้ปริยัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างพวกเรารักษาศีลอย่างเนี้ยเราเห็นคุณค่าของศีลแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเพวัะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ดูให้สังเกตตนเองที่เราจะเป็น คนดีได้ก็ต้องทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังจริงใจไม่ใช่ว่าสงบสงเง่ยมแต่ภายนอกอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีอุบาสิกาท่านหนึ่งคนทั้งหลายก็ยกจ่องเชิดชูบอกว่าในอุบาสิกาคนนี้นิสัยดีสงบสงี่ยด์ดีแต่พอทาสีลองดีว่างั้นเถะห้ทาสีลองดีคล้ายๆมาพูดให้เจ็บใจทดลองว่างั้นะ ว่าอุบาสิกาคนนี้เป็นคนดีมาจากใจจริงหรือไม่เป็นคนดีมาจากทางจิตทางใจหรือไม่ก็เลยลองดีพอลองดีเข้าไปอุบาสิกาเนี่ยเขโมโหจับค้อนมาตีหัวทาสีหัวแตกเพอาหัวแตกก็เลยดังกระซ่อนไปทั่วเมืองบอกว่าอุบาสิกาคนนี้เป็นคนรุกรายสงบสงเงียมแต่ภายนอกเท่านั้นเองแต่ภายในใจนั้นเป็นคนรุกรายดูสิเอาค้อนตีหัวทาสีแตก นี่แหละใครว่าความดีกับความชวนมันหน่อยเดียวตอนนั้นเองนะไม่เพียงข้ามคืนมือนกันแพ่งอดไม่ได้ท่านเองเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกท่านนะการอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกสามีพัรยาต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานถ้าว่าขาดความอดทนแล้วอีกสักวันหนึ่งมันก็แตกอย่างที่ว่านั่นนะอย่าให้มันฉาบทาภายนอกเฉยเฉยให้ออกมาจากภายในภายในใจของเราให้หนักแน่นนะ อย่าให้เป็นขันแตกขันติขันแตก ข, นต ข, นตกขันติคือความอดทนพระพุทธเจ้าให้ใช้ความอดทนในที่ทุกสถานในเมื่อนหน้าที่การงานพิจารณาดูด้วเหตุผลแล้วถูกต้องเป็นธรรมไม่กระทบตนและไม่กระทบคนอื่นเป็นศีลเป็นธรรมเราก็ใช้ขันติคือความอดทนนั้นเขามาประคับประคองตัวของเราแต่นั้นก็เดินตามที่เราคิดว่าดีแล้วถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วแต่จะไปใช้ขันแตกขันแตกแตก็คือ พออดไปอดไปนึกโมโหขึ้นมาเพรมันอดกั้นไอ้ผลที่สูงก็เลยโพองพ่างออกมาอันนี้เราฝักขันแตกไอ้พราะนั้นพวกเราให้มีขันติคือความอดทนให้มั่นคงท่านก็พูดถึงพระสงฆ์ด้วยอพระสงฆ์องค์ใดก็ตามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะว่าเห็นแก่ลาบเห็นอติเลก็ลาบเออเอาเงินเข้ามาล่อเอาปัจจัยเข้ามาล่อก็เลยสอนง่ายเหมือนกระจูงวัวจูงควายเป็นอย่างนั้นน่ะ แต่เมื่อหมดลาบหมดยศเข้ามาแล้วไม่ให้แล้วพิกุลองนั้นก็วายยากแอะไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าว่าผู้มีธรรมในใจเขารบธรรมเชื่อในธรรมผู้นั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคือไม่เห็นแก่โลกามิตรอันนี้ท่านสอนพระสงฆ์ท่านกับสอนหนักเหมือนกันสอนให้อุบาสกก็สอนอีกอย่างสอนพระสงฆ์ท่านก็สอนอีกอย่างหนึ่งคือให้ใช้ความคิด แต่ักทั้งก็สอนถึงการพูดการพูดเป็นลมปากก็จริงแต่ว่าการพูดออกไปนั้นทำให้เสียหายไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จักครูบาอาจารย์หลวมปากก็พูดออกไปแต่พูดออกไปแล้วเสียหายแก้ไขได้ยากเพราะนั้นก่อนที่จะพูดออกไปคำไหนก็ตามอย่าให้กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่น อย่าให้เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเพราะเหตุใดเพราะตัวเองไม่ได้คิดก่อนพูดตีเขาบอกว่าก่อนพูดคำพูดเป็นลูกน้องแต่เมื่อเราพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายมันหลุดปากออกไปแล้วเขาเอาคำพูดของเรามาหลังแกเรามาย้อนเกตเราได้เพราะฉะนั้นท่านเจะว่าวก่อนพูดให้คิดให้ดีซะก่อนคิดให้ดีก่อนพูดแต่คิดดีแล้วนั่นอ่ะจะไม่กระทบตนไม่กระทบคนอื่น ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นดอดร้อนไม่ทําให้คนอื่นลําบากใจแต่ว่าถึงยังไงก็ตามการพูดออกไปเนี่ยเมื่อเขาทําผิดจะไม่ให้เขาผิดใ จ, จเลยก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่เมื่อเราพิจารณาดูแล้วอันที่มันทําผิดเขาทําผิดเขาทําไม่ถูกเราจะไม่ว่าเก่าวตักเตือนสั่งสอนเขาเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเป็นปลดัดเขาเป็นบัณฑิตในเมื่อผู้อื่นชี้ความผิดของตนเอง เขากลับใจกับตัวได้ผู้นั้นแปลว่าเป็นปรักไอคนที่ชี้ความผิดให้เนี่ยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนั้นถ้าว่าผู้ใดชี้ความผิดของเราว่าเราผิดเราไม่ถูกนะเราจะจิบหายนะถ้าเราทําอย่างนี้ถ้ามีผู้ชี้ให้เรากลับคืนมาได้อันนั้นผู้ชี้ช่องบอกทางให้เราเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เรา แต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีคนมาพูดขึ้นมาตัวเองก็ยังไม่ได้คิดพราเขาพูดแย่เข้ามาหน่อยเดียวพงผังออกไปออด่าเขาออกไปแล้วแต่ที่ไหนได้พอมาสํานึกจำเนียดทีหลังตายข้าไม่ได้คิดในช่วงที่เขาพูดมาเขาเจตนาดีแต่เราผงผางออกไปแล้วเราก็กลัวเสียเปรียบเดินทุลังไปข้างหน้าอีกพอเดินทุลังไป้างหน้าก็ยิ่งเข้าป่าเข้าลึกเข้าพงเข้าภัยไปเรื่อยใช่ไหเนี่ผลที่สุดความหายเนะ เสือสิงห์กะทิ้งแรกมาอยู่ในป่าก็งับแข่งงับขาเลยต่นี่นีจีบหายวายปวงไปเพราะเหตุใดเพราะไม่เชื่อฟังพูดเจตนาดีผู้ชี้คุ้มทรัพย์ให้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางท่านเขารู้แต่เจตนาดีเราควรจะเชื่อผู้ที่แนะนำนั้นบางคนเจตนาไม่ดีก็มีนะนแนะนำไปเรื่อย บางทีแนวจะหายนะก็เข้าไปบอกกล่าวเราเลยเป็นคนหูเบาไปก็มีบางคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันว่าเขามาพูดด้วยเจตนาดีหรือไม่ต้องเราสงบนิ่งดูสะก่อนหยุดดูสัก่อนฟังดูสัก่อนอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งยอมรับเร็วอันนี้แปลว่าตั้งความสงสัยไว้ในใจคนที่ตั้งความสงสัยไว้ในใจนั่นแหละเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าท่านว่ายอย่างนั้นถ้าเขาแนะนํายังไงเชื่อหมด อันนั้นแปลว่าเขาจูงไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าว่าเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วได้เห็นแล้วเราตั้งความสงสัยไว้ในใจเอ๊ะเขาเจตนานดีหรือเปล่าในเมื่อเขาพูดอย่างนี้มันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเขาเขา้าทางคนอื่นหรือเปล่าเขาแนะนำให้เราไปตกเหวตกบอ่อหรือเปล่าหรือผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นความสงสัยในใจนั่นแหละคือปัญญา แต่ถางว่าเราวิตกกงังวลอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเขาพูดหน้อยนึงออกมาเกลี้ปุ่งฟุ้ง อ, อย่างนั้นแปลว่าวิตกกงังวลอันนั้นเป็นบ้าในง่ายๆจิตประเภทอย่างนั้นแต่จะให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราพิจารณาด้วยเหตุผลเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งไหนมาก็ตามให้มาตั้งความสงสัยไว้ก่อนถางว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะเราต้องทบทวนให้รอบขอบความเป็นมาความเป็นไปซะก่อนอันนี้ก็คือ พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์สาวกในชาดกเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าฟังอะไรต้องฟังให้ละเอียดดูให้ละเอียดคิดให้ละเอียดนะไตรตรองด้วยเหตุและผลนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนแกเ่เบนายสัตว์สอนพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการสอนธรรมะให้แก่พุทธบริษัทสี่ธรรมะเหมือนกับเรือหรือแพที่จะส่งข้ามน้ํา เมื่อเราข้ามน้ำไปแล้วเรือและแพไม่จำเป็นต้องแบกขึ้นฝั่งละกระทั่งธรรมะที่ได้ศึกษาธรรมะคือเรือหรือแพเนี่ยไม่เอาไปด้วยไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ต้องกล่าวถึงอธรรมที่มีอยู่ในโลกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะทำยังไงจะละยังไงจะถอนยังไงจะเดินยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธเจ้าแล้วละกระทั่งบาปละกระทั่งบุญเนดะ้มีแต่จิตใจบริสุทธิ์ไปด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธองค์สอนให้ดูให้ว่างให้ปล่อยให้วางดูก่อนโมกขลาดท่านจงมาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่าแต่ตามไม่จริงมันจะว่างได้ยังไงเห็นโซลงสลาคู่คนเต็มไปหมดจะว่างได้ยังไงแต่พระพุทธเจา้าท่านบอกว่าคําว่าว่างคํานี้นะี่ย ขณาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องเผาทิ้งจะต้องพอดทิ้งจิตวิญญาณจะออกจากร่างไปแล้วถึงจะมีก็เหมือนไม่มีเพราะนั้นจะถือว่าเป็นของเราได้อย่างไรธาตุสี่เป็นไม่ใช่ของเราขนาดธาตุสี่ของเราเยอ่อมไม่ใช่ของเราเ<อ>โลกธรรมแปดจะเป็นของเราได้อย่างไรโลกธรรมแปดมีลาบเสือ่อมลาบมียศเสื่อมยศสนะเสริญสุขจะเป็นของเราได้อย่างไรอัคติสี่ ลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะไม่ชอบกันลำเอียงเพราะโทสากติโมหคติพยาคติเราจะลำเอียงไปเพื่ออะไรในเมื่อตัวของเราก็ยังไม่ใช่ตัวของเราอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเรามีธรรมะได้คิดเข้าไปส่วนลึกของภาคปฏิบัติแล้วเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางในจิตในใจของพวกเรานะเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนแต่ถึงยังไงก็ตาม พระพุทธเจ้าท่านเน้นบอกว่ากายกับใจกายเป็นอันหนึ่งนะใจเป็นอันหนึ่งนะเมื่อตายร่างกายตายแตกแน่นอนนะแต่จิตใจนั้นไม่ตายนะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกได้นะบาปบุญคุณโทษไหลเข้าสู่จิตใจดวงนั้นนะไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเกิดมาแล้วก็ น, นั่นหละกรรมจะตามสนองใครทํากรรมดีกรรมชั่วใครทํากรรมดีบุญกุศลก็ตามสนองสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทํากรรมชั่วกำชั่วก็วจะตามสนอง อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพัสสาวกสอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะได้มาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีอย่าให้เป็นคนเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าริธรรมอย่าเบียดเบียนตนหระผู้อื่นทําเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้อดทน เป็นผู้อดทนท่านเปรียบเทียบกระทั้งว่าดูก่อนภิกษุพวกเธอทั้งหลายเป็นภิกษุต้องเป็นผู้อดทนเป็นผู้อดกลั้นถึงเขาจะเบียดเบียนเราหนักหนาสาหัสถึงขนาดไหนแต่เราอย่าคิดประทุษร้ายกับเขาให้มีเมตตาต่อเขาเรามีเมตตาต่อเราอย่างไรให้มีเมตตาต่อเขาอย่างนั้นอันนั่นแหะคือลูกศิษย์ของเราตถาคตอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสอนให้มีน้ําจิตน้ําใจ ท่านบอกว่าทําใจให้เหมือนกับแผ่นดินใครจะขุดจะกลนไปที่ไหนออกจากโลกไม่มีหมดขุดดิดนออกจากโลกมันจะวางที่ไหนอย่างว่า <c oughs> ทําใจให้เหมือนแผ่นดินทําใจให้เหมือนแม่น้ําใครจะเอาไฟมาเผาให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งเพราะมันเป็นแม่น้ําทําใจให้เหมือนอากาศใครจะวาดรูปยังไงมันก็วาดไปได้เพราะมันเป็นอากาศพระพุทธเจ้าท่านว่ า, จจวานั่นนะ่ะทำใจให้เหมือนแผ่นดินหนักแน่นแล้วก็ทําใจให้เหมือนอากาศ ทำใจให้เหมือนแม่น้ำให้มีความหนักแน่นในตัวของเราเองพร้อมกันก็ให้มีคุณธรรมมีศรรมีลธรรมมีจริยธรรมอย่าไปมีความอย่างที่คุณแม่เจ้าเรือนคนทั้งหลายมองว่าเป็นคนดีแต่พอทาสีแย่หน่อยเดียวตีหัวทาสีก็เลยเป็นคนร้ายขึ้นมาแปลว่าเป็นคนดีไม่จริงเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้เป็นคนดีจริงอย่างน้อยก็ไม่ดีจริงถึงขนาดนั้นก็ให้ มีสติมีความรอบคอบมีปัญญาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมทางพวกเราท่านทั้งหลายทำตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นจุขโดยเฉพาะศีลที่พวกเรารับเนี่ยนะศีลห้าประการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในกามไม่มุสาไม่ดื่มสุ ร, ราเพียงศีลห้าประการนี่ถึงจะไม่เคร่งครัด แต่ก็ส้ำเนียกส้ำนึกเอาไว้รู้จักการสถานที่เพียงแค่นี้ก็สงบร้มเย็นเป็นสุขมากพอสมควรอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเรารักษาได้ดีก็ยิ่งร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่พร้อมกันก็ความหมั่นขยันอดทนขันติคือความอดทนการเสาะแสวงหาทรัพย์ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้นะให้รู้จักหาหาหทำหํำยังไงหาทรัพย์เมื่อหามาได้แล้วรู้จักเก็บทํำยังไงถึงจะเก็บ ไอ้รู้จักใช้ใช้ยังไงจึงจะพอดีในพอเหมาะในการใช้ถ้าพวกเรารู้จักการบริหารจัดการตัวเองมองตัวเองดูตัวเองอยู่เสม อ, อาวางแผนชีวิตครอบครัวของเราอยู่เสมอพวกเราก็จะได้รับความสงบพร้มเย็นเป็นสุข เ, เรากีดยางมาเดือนหนึ่งเราได้เท่าไหร่เอ้าเดือนละหมื่นบาทเราจะใช้เท่าไหร่ในเดือนหนึ่งอย่างน้อย เ, าเราหาอยู่หากินกินเองเก็บไว้เดือนละห้าพันได้ไหม แล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เพื่อครอบครัวของเราเราเก็บไว้เมื่อมีคราวจําเป็นเก็บไข้ได้ป่วยคนในครอบครัวเราก็จะได้ใช้เงินก้อนนั้นไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็แบ่งกันใช้หมดถูกเต้าเล้าหลานมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดผลที่สุดมีความจําเป็นมาเอาสวนยางไปจําลองจํานําเขาผลที่สุดก็เลยแตกกันพ่อไปทางหนึ่งแม่ไปทางหนึ่งลูกเต้าเล้าหลานไปคนละทิศทางกันเพราะเหตุไรเพราะการบริหารจัดการไม่ดีเพวกนั้นพวก เราทุกๆท่านนะที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มที่จะเป็นทรัพยากรของชาติคิดให้ดีในสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าถ้าพวกเราบริหารจัดการหรือว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราประเทศชาติบ้านเมืองเข้าวัดเข้าวาก่อนิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะในครอบครัวของเราไม่เดือดไม่ร้อนแต่ถ้าว่าครอบครัวของเราขาดขา ด, ขาดตกตกลนลน ทุกๆ อ, อยากจะหันหน้าเข้ามาวัดก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งเพราะเหตุไรเพราะว่ามันหาข้าวจะอยู่จะกินเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติก็อันตรคัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเกิดมาทั้งทีชีวิตทรัพยากรเกิดอยู่ในโลกนี่แหละแต่ถ้าเราหมั่นขยันอดทนให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้รู้จักวางแผนชีวิตของพวกเราหลวงพ่อวัก ความสงบรมเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่พวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดสรุปแล้วก็คือให้มีความอดทนให้ใช้สติใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราได่ตรองเหตุและผลก็เดินตามแนวแถวนั้นเหมือนกับนายสรถฐีฝึกหัดมา้าจะให้ได้เขียนได้ตีอย่างนั้นจดเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะล้มจะตายยังค่อยระ ล, ลึกโอ้ผู้ค่าจ ะ, จะไปวัด ผู้ฆ่าอยากจะทําคุณงามความดีที่ไหนได้มันจะไปได้อย่างไรนายเศรษฐีก็คือความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาเยียบยําแล้วจึงค่อยมาคิดถึงวัดคิดถึงสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นกสายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากนั้นพวกเราก็ไตรตรองเหตุและผลด้วยปัญญาของเราจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีความสุขความสวัสดีพิพัฒนะมงคล ก็จะมาสู่การกระทาของพวกเราทุกๆท่านตอนนี้ไปรับพรนะท่นีนะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปูราปริปูเรน